เสียงอ่านหนังสือเรื่องชีวิตนี้น้อยหนักบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปริตนายกชีวิตนี้น้อยหนักแต่ชีวิตนี้สำคัญหนัก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 อภกันจีทังชีวิตะมาหุทีราปราดกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยหนักทุกชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มิได้มีเพียงเฉพาะชีวิตนี้คือมิได้มีเพียงชีวิตในชาตินี้ชาตเดียวแต่ทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาตอดีตชีวิตในชาติปัจจุบันและชีวิตในชาติอนาคต ชีวิตนี้น้อยหนักหมายถึงชีวิตในชาติปัจจุบันนั้นน้อยหนักสั้นหนักชีวิตคืออายุชีวิตในปัจจุบันชาติของแต่ละคนอย่างยืนนานที่สุดก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไรซึ่งก็ดูราวเป็นอายุที่ยืนมากนักถ้าแม้ไม่นำไปเปรียบ ก, กับชีวิตที่ต้องผ่านมาแล้วในอดีต ท, ที่นับชาติไม่ท้วนนับปีไม่ได้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 ก่อนแต่จะได้มาเป็นคนเป็นสัตว์อยู่ในปัจจุบันาชาติต่างเป็นอะไรต่อมีอะไรมาแล้วมากมายแยกออกไม่ได้ว่ามีกรรมดีกรรมชั่วอะไรบ้างทำกรรมใดก่อนทำกรรมใดหลังทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำไว้ในชาติอดีตทั้งหลายย่อมมากมายเกินกว่าที่ได้มากระทำในชาตินี้ในชีวิตนี้อย่างประมาณไม่ได้และกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมให้ผลตรงตามเหตุทุกประการแม้ว่าผลจะไม่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันทุกสิ่งทุกอย่างและไม่อาจเรียงลำดับตามเหตุที่ได้กระทาแล้วก็ตามแต่ผลทั้งหลายย่อมเกิดแน่ถ้าแม้เหตุได้กระทาแล้วเมื่อมีเหตุย่อมมีผลเมื่อทำเหตุย่อมได้รับผลและผลย่อมตรงตามเหตุเสมอผู้ใดทาผู้นั้น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 ก็พึงรู้ว่าเมื่อ น, นั้นกำลังหลงคิดผิดจากความจริงกำลังเข้าใจผิดจากความจริงทำไม่ดีต้องได้ไม่ดีเสมอไม่มียกเว้นด้วยเหตุผลใดทั้งสิ้นชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวย่อมน้อยนักเมื่อเปรียบกับชีวิตในอดีตชาติซึ่งนับจำนวนชาติหาท่วนไม่ดังนั้นกรรมคือการกระทาที่ทาในชีวิตนี้ ในชาตินี้ชาติเดียวจึงน้อยนะักเมื่อเปรียบกับกรรมหรือการกระทาที่ทำไว้แล้วในอดีตชาติอันนับจำนวนชาติไม่ทวน